บุ๊ก2ห้าสิบหกแพนโจความรู้สึกเอฮซอสฮอมีความรู้สึกต้องการอยากทามโยลเบอันจอมคอริดอชนเรามีความรู้สึก เราต้องการเราอยากมา م ม่ م ำอยู่แล้วไปทำตามของคุเราไดรเราไม่มีความรู้สึกเราไม่ต้องการเราไม่อยากมา م ม่ م ำอยู่แล้วไปทำตามของคุณเราไมด้รักลัวทาร์สได้ัผมกลัวไม่ทาร์สผม ผมไม่กลัวมันไม่มีฐาซัมมีเวลาวลากต์ดอสตันเขามีเวลาอูวากต์ดอแรดเขาไม่มีเวลาอูวากต์นาดอแรดเบือ่อบีโฮเซลบูดัน เธอเบื่ออูโฮซเลนาดอรัดเธอไม่เบื่ออูบาโฮซเลสเหงากระสเนบูดันคุณหิวไหมชมากระสเนฮัสตีดคุณไม่หิวหรือชมากระสเนนิสตีด กระหายน้ำเทชเนบูดันพวกเขากระหายน้ำอันฮาทชเนฮัสตนพวกเขาไม่กระหายน้ำอันฮาทชเนนสตัน